ท่านสาธุชนพัทธบริษัททั้งหลายแล้วเวลาเพื่อนพิสูจ น, น์มนเณนวันนี้ก็มาคุยถึงเรื่องตายอีกแต่ความจริงตอนนี้ก็ยังไม่ตายเป็นเกือบตายเหมือนกันอย่างตอนที่หกกล่าวมาก็เป็นกายเกือบตายแต่ผมก็บอกว่าตายความจริงจะว่าตายก็ไม่ผิดมันตายไปตามสภาพนิดหน่อยแต่ว่าตอนที่เจดนี่ เป็นพศอ .2511 อตอนนี้มาอยู่วัดท่าทรงนี่แล้วเป็นการมาอยู่วัดท่าทรงเป็นปีแรกและก็สถานที่อยู่ให้ทางเจ้าจัเจ้าวาดนี่มุนมาพอจะทำโกติให้หนึ่งหลังไปไปมามายกติก้อนท่านก็ไม่เสร็จมีแต่พื้นกับหลังคาคือแจ้งจะมาล่วงหน้าหลายเดือน ก็ต้องมาทํากันเองนาข้าวก็มีคนมาอยู่ได้หลายคนไม่เหมาะก็เลยสร้างโกติเป็นกระต๊อกเพิ่อมาเพ่งหมาเหงันจะเหมือนเหมือนกับหมาติดสัตว์คืมันเหงนเหงข้างนู้นข้างเหงันข้างนี้ข้างหลังก็ชนกันไอ้ส่วนต่ําเข้าชนกันทั้งนี้เพราะว่ามีกิ่งต้นโพธาดอยู่ ทำตรงนั้นสูงไม่ได้คือทําเป็นสองช่วงต่อกันถ้าเป็นรังน้ํากลางก็มีสวมแล้วก็กติแบบนี้ก็เวลานี้อยู่ในสาะถ้าอยู่ที่ในสารในความจริงเขาก็ขยายไปกว้างแล้วก็สวยงามกว่าเก่าเดิมที่เดียวทําแค่ปลูกๆ ป, ป, ป่าแค่อยู่ได้แล้วก็หลังจากนั้นมีต้นมะม่วงตายก็อขอเอาต้นมะม่วงตายจากเจ้าวาดจ้างเขาเรื่อย เข้าร้อยแปดสิบบาทมันก็ไม่กี่แผ่นแต่ความจริงเขาเราคาแพงเพราะเพราะว่าทุกคนเขาต้องกินเขาต้องเอาเงินถ้าเป็นพระเขาจะเอาเงินมากก็เราทําไม่ได้ถ้าถามว่าศรัทธาจะทําทถาวายด้วยศรัทธาได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้แต่ว่าเขาต้องเลือกจัทามันต้องเลือกเพราะปฏิปทาของผมไม่เหมือนใครอยู่แล้วเขาก็เลยเอางแพ ง, แพง แต่ว่าคนรุ่นนั้นก็ไม่ใช่คนรุ่นนี้ที่มาทำงานรุ่นนี้ที่มาทำงานอย่างลงชิดนี่แก ค, คิดถูกที่สุดอะไรเกินไปบ้างแกก็ทำทาให้จะทำฟรีบางทีวันพระวันจ้าก็ทำฟรีเป็นบางวันก็ทำฟรีไปเลยงานที่แกทำฟรีก็เยอะกำลังใจคนไม่เหมือนกัน <c oughs> เอาไม้มาม่วงปลูกเป็นเพิงหมาแงนเล็ก ยาวแค่หกศอกกว้างสี่ศอกที่โคนต้นโพเวลานี้ก็เป็นบ้านคนต้นโพตรงนั้นแต่ที่นั่นที่นั่งเป็นเพิงเคิร์นเอ้เพิงหมางเงินเล็กๆโปร่งๆสาหรับนอนโคนต้นโพ้อากาศมันเยินๆเวลานั้นไฟฟ้าก็ไม่มีถ้ายังไม่มีไฟฟ้ามาต้องใช้เกียงเวลาร้อนจะจ่าก็ต้องใช้โคนต้นโพ <c oughs> เป็นวันนั้นผมจําวันที่ไม่ได้ไปฤดูร้อนจะเป็นเดือนพฤษภาคมนอาจจะเป็นเดือนพฤษภาคมเขาตั้งพระครูกันท่านว่าครู ว, วิชานชัยคุณเจ้าวาดพัดปองคอมมาทเท่าถ้าเห็นได้รับสมเลื่อนสมณศักดิ์จากชั้นโทวเป็นชั้นเอกท่านก็ดีมดนพิธีงานฉนลองพระของท่าน วันดีครูนนทานันตะวงศ์เวลานั้นยังสอนอยู่ที่โรงเรียนประจำจังหวัดได้รับเชิญโดยครูนทาก็มาว่าเรือห้างยาวมาก็เป็นคนออกค่าเรือห้างยาวไปวัดป่าคลอมคำเท่าไปด้วยกันผมไปที่วัดป่าคลอมคำเท่าไปช่วยงานท่านเวลาประมาณสักบ่ายโมงเสร็จๆ ร, รู้สึกเพลียจัด มันทนไม่ไหวจะอยู่ที่นั่นก็บอกครูนันทาเพราะว่าเห็นว่ต้องกลับกันแล้วทนไม่ไหวท่า น, นเพีย ม, มากก็เวลาท่านบอกครูวิชานชัยจคนกลับพอกลับมาถึงวัดที่ชายของผมเวลานั้นมาอยู่ด้วยแล้วก็ฟันอยู่ด้วยกันสองคนเวลานั้นเข้าไปกัหมดเนรเทงก็ไม่มีไม่มีใครทั้งนั้นมีสองคนตั้งฝ่ายจเจ้าวาที่เราใสท่านไม่ได้เลย สัญญยาเดิมของท่านท่านพูดว่ายัางไงท่านลืมหมดท่า <c oughs> นเป็นคนขี้ลืมก็ไม่ใช่ลืมเปล่าคัดไว้เป็นคนละพวกเสียด้วยจัดไว้เป็นคนอะตอนตอนนั้นนะถ้ามีใครมาสอบสวนผมผมก็จะ ก, กล่าวถึงโทษของสังฆเพทผมอยากจะรู้จริยาปฏิบัทาเขาปสังคาริการ ว่าพระสังคาริการที่ปกครองนะ่ะรู้จักครรมาังพรเพื่อหรือเปล่าถ้าหากว่าเขาพูดในทํานอนที่เรียกว่าไม่รู้จักวินัยผมก็จะถอนตัวไปจากที่นี่ในความจริงที่มาเนะี่ยไม่มีข้อผูกพันอะไรมากท่านให้มาช่วยสร้างวัด <c oughs> ไปชวนมาเพื่อช่วยสร้างวัดให้มาอยู่ด้วย แต่ไปไปมาก็ไม่ใช่การไม่ไม่ใช่เรื่องช่วยสั้างวัดต้องสร้างที่อยู่เองไอ้ที่อยู่ที่ทําไม่ให้ยังหอสมบทั้งอาลูกน้องถ้ามาอยู่แบบสบายสบายผงก็ต้องมาอยู่กับตอบ็อ <c oughs> แล้วก็ต้องหากินเองเวลานั้นก็ต้องเอาเงินไปให้เขาทําบิณฑบาตทั้งๆที่ทไรายได้ก็ไม่พอจะมี <c oughs> ก็จอนมาเลยได้ไม่ค่อยมีเอาเงินไปให้เขาทำเมนโตอส่งเวลาตอนสายเรลาตอนเช้าก็ต้มข้าวต้มกินในตอนต้นที่มันอยู่วัด น, นี้มันก็เต็มด้วยความลำเคินแต่ถ้ว่าเรื่องนั้นผมถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาคนคิดว่าพระเจ้าทำบุญทางกุศลที่ไหนผมก็ทําตามใจชอบผมแต่มาพูดถึงตอนที่มันป่วย พอกลับมาแล้วพี่ชายผมฟันไม้ท่านทอนไม้ค่อยๆใกล้ห่างทั้งสองวันดังป๊กๆๆกป ก, ปกผมก็นอนอยู่ที่กระตอบคนโพให้เพิงหมาแงนโปร่งมันเย็นดีตอนนั้นมีเตียงอยู่หนึ่งเตียงก็นอนแต่แขงขวา <c oughs> กำลังร่างกายก็ น, น้อยไปทีนิดทีนิดทีนิ ด, นดพอสุดมันก็ใกล้จะหมดสายตาที่มองยาวออกไป มันก็เริ่มสั้นมาทีละน้อยแต่น้อย แ, น, อยแน้อยเห็นสั้นกันมาเห็นสั้นกันมาก็ต้องเห็นสั้นห่างร่างกายไปประมาณทั้งสองวัน <c oughs> อาการอย่างนี้มัเคยมีมากับผมแต่ว่าอาการเพียคราวนี้การป่วยคราวนี้เขาผมผมไม่ได้ยั่งตัวหมวายความว่าผมเผลอเมื่อสมัยยุที่สี่มาครั้งหนึ่งแล้วเกือบจะต้องถูกจับไปสอบสวนที่คณะคําว่ายายม แังนั้นเวลาการภาวนาของผมผมไม่มีหยุดการพิจรารณาก็ดีการภาวนาก็ดีผมถือเป็นปกติเอาแต่สอบรายการในอย่างใดอย่างหนึ่งที่ผมชอบเวลาไหนต้องการภาวนาผมก็ภาวนาเวลาไหนต้องการพิจรารณาผมก็พิจรารณาถ้ามีแขกเข้ามาคุยด้วยจะเป็นผู้หญิงก็ตามจะเป็นผู้ชายก็ตาม ผมใช่อารมณ์เหมือนกันก็ดูคนที่มาคุยคนที่มาคุยเขาจะบอกอริยสัจผมเสร็จมันหมายกว่าอริยสัจนี่เขาจะคุยฟังนั่นก็คือคุยเรื่องทุกข์บางคนก็ทุกข์เงินไม่พอใช้บ้างบางคนก็ทุกข์ผัวมีเมีย ม, มากเกินไปบ้างบางคนก็ทุกข์ผัวกาลังยัะหนอกใจบ้างบางคนก็ทุกข์มีเงินเฮ้ยกู้เขาก็ไม่จ่าย ไอ้โทรหนาเข้าหนาเข้าถึงเวลานัดไปเอาเขาก็ไม่ให้ดีไม่ดีก็ชวนทะเลาะไม่พูด ก, กันเลยโทรไม่ได้บางคนก็มาปรึกษาห า, หาหรเรื่องการป่วยไข้ไม่สบายบางคนก็บอกหากินเท่าไหร่ก็ไม่พอกินรวมความทุกคนเอาทุกมามาแจกให้ผมมาเล่าให้ฟังว่าทุกคนมีทุกไม่มีใครมีสุขแล้วอาการอย่างนี้ไม่ใช่คนจนเสมอไป บางท่านมีเงินให้เขากู้มากมากมีร้านค้าใหญ่โตท่านก็มันยังมาปรารบเรื่องทุกข์ก็รวมความว่าไอ้ตัวทุกตัวนี้มันก็ประจําอยู่ในใจผมก็พิจารณาว่าคนทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ทุกจริงจริงคนทุกฐานะไม่มีใครมีความสุขมีแต่ความทุกข์อันนี้เป็นเป็นความรู้สึกประจําใจของผม วันนี้น่ะสองหน้าก็เจดนี่ปวดทราบด้วยว่ามันก็จะคอแห้งเหลือเกินย่หมูกก็คัด <c oughs> แต่รู้สึกว่าจะค่อยโชคกับวันสักหน่อยเพลียก็เพลี ย, ยแต่ก็ต้องพูดรอร่างกายดีไม่ไหวเดี๋ยวดีไม่ดีมันตายก่อนไม่ได้คุยกันก็เลยมานั่งคุยกันต่อไปผมเวลานั้นเมื่อร่างกายไม่ดีขึ้นผมไปผมก็ พ, พิจารณาภาวนาอยู่แล้ว ผมไปวัดป่าคลองมะคำเท่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดวัดหนึ่งวัดป่าคลองมะคำเท่ามีชื่อเสียงไล่เลี่ยมมาอกันพราป่านระยะเวลาเดียวกันแต mean, <sk ill> so. ่ว่าเวลานี้วัดป่าคลองมะคำเท่าสุดโทมมากมันโทมหนักจนท่านพระครูวิชานชัยกุลย้ายมาอยู่ก็ดีขึ้นแล้วผมก็ไปช่วยมาสองปีก็รู้สึกว่าคนเข้าวัดมากขึ้น ดึงความเป็นมาวัดประกอบมับเท่าจะเล่าตนมาถึงจุดนั้นมันเล่ากันถึงวันนี้คือวันที่ป่วย <c oughs> เมื่อการไม่ดีมดขึ้นผมก็นึกในใจทั้งร่างกายเพราะร่างกายที่ดีไม่ดีมันก็ตายวันนี้มันจะตายเมื่อไรก็ช่างเราก็เตรียมพร้อมไว้ตายหรือไม่ตายเราก็พร้อมเพื่อจิตเป็นสุข <c oughs> ก็มีความรู้สึกว่าร่างกายเราบะคบประงมมันเท่าไหร่มันก็ดีไม่ได้มันเลวแบบนี้เลิกกันทันทะีนะจิตใจก็คิดงั้นคิดว่าเลิกกันทัทีเออเองจะตายก็ตายเถอะพอสายตามันสั้นกับไมากระลุ่ยลาอาการอย่างนี้เคยมีมาก่อนก็เลยบอกว่าเชิญทัพักุลนะเองจะพังเมื่อไรก็เชิญพัง ฉันพร้อมที่จะไปบ้านของฉันบ้านของฉันอยู่ที่โน่นความจริงบ้านของฉันของผมอีกหลังผมเห็นชัดแล้วผมก็ไปเที่ยวของทุกวันเพราะมีความชื่นชมยินดีกับบ้านหลังนั้นมากแล้วมาตอนนี้มีใครมานั ก, นกวินไหนจะปรับโทษอตตริมนุษยธรรมหรือเปล่าละ่ะไอ้นี่เขาเล่านี่เขาเห็นของเขาจริงๆปรับไหม ไปได้จริงๆปรับไหมใช้เจโตวิยญาณสิจะพิสูจน์กันได้วาจาด้วยจริยาน่ะไม่ได้ต้องพิสูจน์ด้วยเจโตวิยญาณแล้วจะรู้ได้ะจะรู้เองว่าเข้าไปได้จริงไหมเขามีจริงไหมรวมความว่าผมมีความสมบายใจคิดว่าร่างจากายมันจะพังเล่นนอนสบายๆ คิดในใจว่ามึงพังเสียได้ก็ดีกูจะได้มีความสุขเจ้าตัญหาเอ๋ยฉันเป็นทาสเองมาห้าสิบปีได้ลวมั้งตอนนั้นนะผมก็จะมายุไม่ได้แ น, น่นอนที่เกียจเวรมันเนี่ยมันป่วยเนี่ยนึกไม่ไออกเป็นว่าฉันเป็นทาสแกมาหลายสิบปีแล้วความดีนิดหนึ่งของแกไม่มีสำหรับฉันเลย ไห้ร่างกายนี้เองก็ให้ข้ามาแต่เวลานี้เขาก็มีความเบื่อหน่ายร่างกายที่เองให้เองจะต้องกายร่างกายเองคืนไปเขาเชิญฉันไม่มีความปรารถนาร่างกายเร็วๆอย่างนี้พอจิตใจคิดเท่านี้ไอ้ตัวสั้นของสายตามันก็หยุดมันไม่สั้นขึ้นมาอีกคิดว่าถ้าสั้นขึ้นมาอีกตอนนี้ก็คงไปกันแน่ ผมก็ตั้งท่ากายมันอยากเพลียแต่ใจผมไม่ได้เพลียไปด้วยเอ <c oughs> กายยิ่งเพลียเพียงใดจิตใจแจ่มใสามากขึ้นความสว่างสวัยเของจิตมากขึ้นกว่าตะเกาแพร่แพร่พรเป็นยับแต่ก็มีแปลกอย่างหนึ่งนาอากาศไม่เห็นใครเลยไม่เห็นเทวดาไม่เห็นพรหมไม่เห็นใครทั้งหมดมันมีสภาพเฉย ก็มีความรู้สึกอาการอย่างนี้มันก็คงไม่เอาจริง <c oughs> แต่ในใจนั้นอยากให้มันเอาจริงในเมื่อคิดตามนั้นแล้วไม่ต้องการร่างกายไอตัวสะพัสายตาสัา่นขมามันก็หยุดแล้วมันก็ไปหยุดมันเปล่ามันถอยหลังไปทีละน้อยทละน้อยทละน้อยจนทั้งสว่างตามปกติอันาที่สายตาสัา่นขมา้วนะพี่ชายพิ่งฟันไม้อยู่ข้างข้างผมไม่ได้ยินเลย โอ้ไม่ได้ยินในการภายนอกทั้งหมดร่างกายไม่รู้สึกการสัมผัสการนอนกับพื้นกระดานไม่ไม่ไม่มีเสียเปรมีเตียงและเป็นกระดานมีหมอนเก่าๆลูกหนึ่งขาดๆผมก็นอนผมตามสภาพของผมให้การนอนผมก็ไปถือสาหายความยังไงก็ตามผมนอนหลับได้ผมก็หมดเรื่องเยียวยาได้ผมก็หมดเรื่องนี่เป็นความต้องการของผม <c oughs> สายตาบัญนยาวไปยาวไปเสียงฟันไม้ข้างๆก็ได้ยินต่อมาเมื่อสายตายาวไปร่างกายก็เริ่มมีกำลังจิงคิดในใจว่าทันหาเอ๋ยเจ้าทำไมถึงหลอกเราอย่างนี้เจ้าคิดหรือว่าเราต้องการเจ้าเราเบื่อเจ้าเราเกิดว่าหลายสงขัยกับ เพาเป็นทายของเจ้าไม่มีความดีสนหรับเราเลยที่ความจริงเราไม่ต้องการร่างกายเร็วๆของเจ้าเมื่อไรเจ้าจะมาทวงร่างกายนี้ไปมันนึกอยู่คนเดียวบ้าคนเดียวตัณหามันไม่พูดด้วยตัณหามันถือขันติมันยืนเฉยสบายว่าไงมันก็ทำหูทนลมแล้วตัวมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มันอาจจะสิงอยู่ในใจผมทั้งผมมองไม่เห็นมันก็ได้ พอนึกไปนึกไปกอะไรทำใจหยุดจะนึกไปทําไมมันจะอยู่ก็อยู่มันจะตายก็ตายมันตายเมื่อใดไปบ้านของเราวันนั้นใจผมก็จับอยู่ที่บ้านสวยแจ๋วซา ส, ะสะัานดีสวยงามมากมีความสุขจิตเป็นสุขในระหว่านั้นเองก็เห็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จมีพระวรากายใหญ่มาก <c oughs> ถ้าถามว่าใหญ่เท่าพระพุทธ ร, รูปหน้าต่างสี่เสาได้ไหมคงก็ต้องตอบว่าพระพุทธรูปหน้าต่างสี่เสาต้องถึงสิบอง์ทั้งแยกเท่าพระวรกายเขาองค์เวลานั้นเห็นชัดเจนจันทร์เฉลใช้พร่าแพรวพราไป ร, ะ, ร, ะ, ระยับลอยอยู่ข้างหน้าที่ไม่ใคร่จะผมนัก ถ้ายาวัดถึง ล, ลังคาลังคากระทบหลังนั้นท่านอย่าลอยต่ำกว่าลังคาแตเวลานั้นภาพลังคาก็ไม่ปรากฏเห็นในองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงแย้มพระโอษฐในการทรงตัดว่าสัมภเกสีให้การเพียงเท่านี้เธอเป็นทุกข์มากหรือก็ตอบพระองค์ว่าข้าพเจ้าไม่ทุกข์พระเจ้าค่ะ ถ่าบอกไม่ทุกทำไมมีการท่าไทยกับตัญหาเพราะการท่าไทยก็หมายควาก้าวข้ามพระเจ้าไม่ต้องการตัญหาและก็ไม่ต้องการสมบัติของตัญหาเวลานี้สมบัติตัญหาจาชิกนไม่ต้องการเลยมีความต้องการอย่างเดียวคือบ้านหลังนั้นรุ่งก็ส่งยิ้มส่งยิ้มแล้วก็บอกว่าอาการป่วยเท่านี้ การทุกเวทนาร่างกายเพียงเท่านี้จงยาบุญนะทําใจใสมาจิตไม่ยึดถืออะไรทั้งหมดสลัดทุกอย่างการมาตหานภาวตัตนาวิภาวตัตนาสลัดให้หมด <c oughs> จงเข้าใจในทุกของโลกคนที่เกิดมาในโลกใครก็ตามพาระอรหันต์ก็ตามพระพุทธเจ้าก็ตามก็ป่วยเหมือนกันร่างกายของพระพุทธเจ้าก็ป่วยร่างกายพระอราหันต์ก็ป่วย <c oughs> ร่างกายของเธอจะไม่ป่วยไม่ได้อันนี้อย่าลืมนะครับที่ใครก็โมเปยโปเปตันนังว่าผมประกาศตนพระราห์อันนี้ผมก็ประกาศให้ทราบว่าที่พระพุทธเจ้าได้บอกร่างกายพระรหาห์ก็ป่วยร่างกายของพระพุทธเจ้าก็ป่วยถ้าร่างกายของเธอจะไม่ป่วยได้อย่างไงเธอก็ต้องป่วยแสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ยืนยันว่าคนเป็นพระราห์ แม้ผมจะเป็นอะไรไม่เป็นนผมไม่ได้ น, นึกเลยผมต้องการอย่างเดียวบ้านหลังนั้นบ้านหลังที่ผมต้องการเป็นไม่เป็นผมไม่รู้ผมต้องการอย่างเดียวทางใดที่ผมจะไปได้ผมจะไปให้ได้ถ้าชาตินี้บังเอิญไปไม่ได้สักชาติหนึน่งข้างหน้าผมก็ต้องไปได้ผมจะไม่ยอมถอยหลังกับความต้องการของผมผมทําทุกอย่างสร้างวัดสร้างวานแนะนํำโนนแนะนํานี่ผมไม่ต้องการผมตอบแทน ถ้าผมต้องการผมผลตอบแทนผมอาจจะรวยมากแต่การรวยแบบนั้นมันจะนำไปอบายภูมิผมไม่ต้องการรวยโ้องซักสินต้องการรวยเฉพาะกำลังใจอย่างเดียวถ้าจิตผมเป็นสุขผมผ่อใจนี่อารมณ์ของผมนะหลังจากนั้นส ม, มเด็จพระจอมไตรยสรงจัดว่าเธอจะรักษากำลังใจอย่างนี้ให้ปกติให้เป็นเอขรตารม คือเมร็ดอันเดียวที่เราต้องการอย่างนี้ถ้าพลาดพลั้งลงอบายภูมิสิ่งเจ้าหนี้ของเธอที่ยังไม่ชาระหนี้มีเท่านี้เฉพาะคนนะสัตว์ไม่คิด <c oughs> แต่ว่าสัตว์จะไม่คิดเฉพาะคนแต่นั้นเท่านี้เธอดูท่านชี้ไปเพราะเห็นหัวคนเขาตัดเฉพาะแค่หัววางเรียงพื้นที่ จากแนวคลองของแนวของคลองอยางเป็นระเบียบเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยสุดพื้นที่ของวัดท่าสูงด้านเหนือสุดเลยแล้วไม่ได้วางชั้นเดียวแถวเดียวกับพื้นดินเต็มพื้นที่หมดก็ตกติแล้วไม่เห็นหมดทั้นั้นเห็นแต่หัวคนวางเรียงถ้าเรียงเป็นระเบียบอยางนั้นสูงกว่ายอดโพลหนึ่งเท่าน่าจะเป็นหนึ่งเท่าเศษ แต่บอกคนทั้งหมดนี่เธอฆ่ามาในชาติในอดีต <c oughs> และเวลานี้เขาทุกคนกรรมที่ทำกับเขาเธอยังไม่ได้ใช้นี่เวลานี้เธอกำลังใช้นี่เศษกรรมส่วนอื่นส่วนใหญ่นี้ยังไม่ได้ใช้เลยถามนด่ว่าการสร้างบาปขนาดนั้นทำไมไม่ไปอบายภูมิท่านก็บอกว่าทุกชาติหลังจากนั้นมาพันชาติเสร็จ เธอเป็นนักรบก็จริงแหละแต่ถือว่าก็เป็นนักบุญด้วย น, นักรบก็เป็นนักบุญมีจิตชอบรักนักรบก็คู่ต้องคู่กับนักรักรักคือมีความเมตตาปณิชนเบื้องหลังฉะนั้นเวลายามว่างก่อนรบก็ทําบุญเวลาไปรบจิตใจก็ถึงนึกถึงพระเป็นที่พึง่ง กลับมาจากการรบก็ทําบุญแล้วก็ชอบเจริญสมาธินักรบที่ใช้อาวุธฟาดฟันกันโดยเฉพาะใช้มีดใช้ดาบทีห่หอกต้องหนังเหนียวทุกคนยันหนังเหนียวได้เพราะอาศัยคุณพระคุ้มครองฉนันจิตใจในึกถึงภาพเป็นปกติเป็นปกติในเวลาจะตายเพราะกําลังใจนึกถึงภาพเป็นปกตินี่เป็นอารมณ์ชาน อาศัยกำลังใจก็หนีบาปไปทุกท้งทุกครั้งพันชาติเศษ็จ <c oughs> แต่สมเด็จพระโรกเจตกรมโกลโกก็เชิก็ะสงให้อวาดว่านับตัณฑบัตินี้เป็นต้นไปเธอจงถือกำลังใจสังขารกเปย์ขายานเป็นอารมณ์อะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายก็ถือให้เฉยไว้เขาจะชมก็เฉยเขาจะด่าก็เฉย รือร่างกายเจ็บไข้ไม่สมบายเขาทำใจสบายาบายเฉยยอมรับนับถือกฎคงธรรมดาธรรมดามันเป็นยังไงคิดว่าร่างกายของเราเราต้องเป็นอย่างนั้น <c oughs> ย่าใช่รมฝืนกฎธรรมดาเท่านี้อารมณ์จิตขคงเธอจะมันสุขแต่คนที่มีเจ้าวะเพราะหัวทั้งหมดนี่นับแสนกรรมนี้ไม่สามารถจะตามเือทัน เธอมีโอกาสจะไปบ้านของเธอจะต่ามความประสงค์นี่เราเป็นเพื่อนพิสุสมันเนิสมเด็จพระเจ้ธองค์ทรงตัดตัณณ์ก็ทรงหายไปในอากาศตอนนี้ใครหาโ อ, อติ ม, มุสธรรมไหมหาก็เชิญพระคุณเลยฝึกฝนซะบ้างจิอย่าทำเป็นพระศิวะในพระตาบิดดก <c oughs> พระสิวะทำยังไงก็ไปดูในพระไตรปิฎกเป็นว่าผลอันนั้นทำให้จิตผมไม่สุขเมื่อภาพท่นหายไปผมใจก็ไปสุขนอนตะแคงฟ้าตามเดิมจิตก็เคริมใกล้จะหลับขณะนั้นเองเสียงปั๊บปาปรากฏขึ้นข้างหลังเหมือนใครมาตีหลังหันขวับไปปรากฏว่ามีพระสององ์ <c oughs> มีพระสององค์มายืนยิ้มอยู่สององค์ไมใ่ใครเพื่อนเก่าเพรว่าถามว่าเอ้ยเมืองป่วยแล้ววะนี่เป็นศัพท์ที่ใช้กันตามปกติสําหรับเพื่อนองค์ก็เลยตอบก็ว่าเออกูไม่ป่วยเว้ยขันห้ามันป่วยกูไม่ได้สนใจกันห้ากูท่ามันเท่าไหร่มันก็ไม่สู้กูว่ะตอนนี้ก็เล่าความจริงให้มันยาวนิด เพราะว่าตั้งแต่ก่อนก็เคยเล่าสั้นๆที่เกตพูดเคยบอกว่าเขากูห่วงว่ามึงจะห่วงคันห้าถ้ามึงไม่ห่วงคันห้ากูก็สบายใจเคยบอกว่าเรื่องนี้มึงไม่ต้องห่วงคันห้าเนกูไม่ห่วงแน่เพราะว่ากูเคยห่วงมันแล้วมันก็ไม่ได้ห่วงกูเลยกูห่วงมันจะสุดซองกูก็กินยา ก, ก็กินข้าว ก, ก็กินขนมมันก็แก่ทุกวันมันไม่ห่วงกู ในเมื่อคนอย่างกูเมื่อใครไม่ต้องการครบกูกูก็ไม่ต้องการครบมันเหมือนกันเขาก็ดีใจโดดเขาตีคนละปั๊บหายไปเลยดีไม่เพื่อนรักแทนที่รูปหน้ารูปหลังมันล่อปับ๊บคนละปับ๊บเลยปุ๊บหายมันโดดไปทางไหนผมก็ไม่รู้ไอ้สองเตือนี่มันโดดเก่งจริงๆจะว่ามันแอบโคลนโดนโผก็ อ, อาจจะเป็นได้เพราะผมลุกไม่ไหว ร่างกายมันจะให้เพียร์จะแรงมันยังไม่มีเลยปล่อยตามทีงจะไปไหนก็ช่างมันทุกตอนแต่แข็งฝ่าว่าต่อไปหลับตอนนี้ก็มาเตือนบรรดาเพื่อนบิณฑษสมณีว่าความตายจะมีกับเราได้ทุกขณะแล้วก็จงอย่าเชื่อใจชันโลกีแต่ความไม่ผู้มีชันโลกุตระนั้นเราก็ไม่แน่ อย่าไปคิดว่าเราเป็นพระอริยเจ้าถ้าคิดเมื่อไรเราจะพังเมื่อ น, นั้นถ้าความดียังไม่ถึงแล้วคิดว่าดีเมือนกับเรือแข่งแล้วคนแข่งแล้ววิ่งแข่งเข้าจุดหมายปลายทาง <c oughs> ความจริงเรายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเข้าใจมาถึงแล้วก็หยุดในที่สุดเรือก็ต้องล่มกลางทางชั้นใด เราก็เช่นเดียวกันในฐานะพป็นสาวกพระอ ง, องค์สมเด็จพระจอมไตรคือพระพุทธเจ้าโรงศรีพวกเรามีความไม่ประมาทในชีวิตก็จงอย่าคิดว่าเราดีแล้วจงนึกถึงคำเตือนพระองค์สมเด็จพระบาทีิพแก้วที่ทรงดรัสว่าอัตนาจูทยั ต, ตานางังจงกล่าวโทษโจทย์ความผิดตนเองไว้เสมอ การกล่าวโทษจดความผิดเนี่ยมันไม่ยากเอาวินัยเป็นเครื่องตั้งเอาธรรมะเป็นเครื่องตั้งเอาอารมณ์สมถะภาวนาเป็นที่ตั้งเอาอารมณ์มิปัสนาภาวนาเป็นที่ตั้งโดยเฉพาะอย่างยิงง่งเอาอารมณ์ฌานเป็นที่ตั้งอารมณ์สังโยชน์เป็นที่ตั้งอารมณ์บาีสิกเป็นที่ตั้งแล้วก็ไปดูจริยาในในอิทธิบาทสี เรมีครบถวนไหมไปดูอารมณ์ชาญว่าอารมณ์ชาญตอนไหนเราบกพร่องบงัดด่งอุดรูรั่วเสียดูข้อปฏิบัติวัฏฐาในศินเราบกพร่องตอนไหนบั่งพยายามอุดรูรั่เสียได้จุดที่มีความสำคัญก็พิจารณาสั่งยศว่าสั่งยศสาม ส, า ส, สั่งยศห้าสั่งยศสิบ เป็นส่วนคือเคุณสมบัติของพระโสดาอิสิกิาคาคือสังโยชน์สาสังโยชน์ห้าเป็นคุณสมบัติ ข, ของอนาคามีสังโยชน์สิบเป็นคุณสมบัติของพระราหันสังโยชน์แต่ะจุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังโยชน์สามเราทําได้แล้วหรือยังเราพิจารณาจุดนี้จุดบกพร่องเราเอาจุดนี้เป็นสำคัญเราจะหนีนรกกันเราจะเป็นพระโสดาหรือไม่เป็นนั่นไม่สําคัญ แล้วก็จับอารมณ์ดูว่าชีวิตเรานึกว่าชีวิตเรามีความมั่นคงคิดถึงความตายบ่อเปล่าถ้าคิดว่ายังไม่ตายระนานมันวันเลวคกนไปต้องคิดไว้เสมอว่าตื่นขึ้นมาเช้าอาจจะไม่เห็นพระอาทิตย์ตกในวันนี้ก็ได้อาจจะตายหลังจากนั้นก็คลายความสงสัยในคนพัฒรัตนไตรัยยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสง แล้วก็ทรงสินให้บริสุทธิ์พระสินพระเนสินเนรฆราวาสสินห้าหลังจากนั้นก็กจัดอวิชาตามความรู้สึกตามปัญญานน้อยเห็นว่ามนุษย์โลกเป็นทุกข์ไม่ต้องการมันอีกเทวโลกกับพรหมโลกเป็นสุขแต่สุขไม่นานไม่ต้องการอีกเลยเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานย้อนกลับมาตีโลภความโลภได้จากานุสติกรรมฐาน ตีโทสะ ค, ความโกรธได้พรมิาหาา4สี่อกษสินสี่ตีโมหะความหลงในการไม่ร่างกายไม่เที่ยงแท้แน่นอนสกปกโตโครและก็มีความทุกข์ไม่มีความสุขเราไม่ต้องการมันอีกอรับมบันดาท่านพุทธริชัตถ้าคิดอย่างนี้ส่งตัวก็คิดว่าอบายภมิเราคงไม่ลงแน่เมื่อหมดเวลาแล้วก็ขอลาก่อขอความสุขสวัสดิพิพัฒนมงคล สมบูรณ์ุลผลจงมีแดดบรรดาพุทธศาสนิกชนและเบอรวิสุทธิ์สมเณีนพรัชฝางทุกท่านสวัสดี